อันนี้อันนี้ได้ภาวนาไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้เพียงสี่สิบครับเพียงสี่สิบแล้วก็นั่นนงภาวนามาได้ยี่สิบนาทีาาก่อนก่อนอีกเราออกก่อนบายสอง มาอย่างนี้เราอยู่ในกรอบหนึ่งกรอบเวลาเวลาจำกัดกรอบให้เราเห็นไหมเรารีบจบเรารีบลงเรารีบไปใส่ปากแล้วก็ลงท้องเสร็จแล้วจัดการนู้นนี่นิดหน่อยอเสร็จแล้วเราก็รีบขึ้นมาแน่ไปรถไปไหนอีกแล้วนะ <c oughs> หนึ่งกรอบเวลา 2. กรอบข้อปฏิบัติแนวปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการตั้งใจทําไม่ใช่สับจะว่าเรียนรู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ทิ้งไปเราศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติไปพร้อมๆกันที่เรียกว่าปฏิบัติไปอบรมไปปฏิบัติถือว่าเป็นอันเดียวกัน อย่าไปหาแยกนะแยกกันจนตีกันจนหัวแตกนะไอ้คนนึงไปปฏิบัติไอ้คนนึ่งไปอบรมแต่ว่าคําว่าอบรมที่เราพูดถึงในที่นี้หมายถึงอบรมใจสําคัญที่สุดทุกคนมีใจหนึ่งเดียวด้วยเหตุที่เรามีใจหนึ่งเดียวนี่แหละโลกนี้จึงปรากฏกับเราสิ่งที่ตามมาคืออะไร ความสุขก็ตามมาความทุกข์ก็ตามมาเรื่องของความทุกข์นั่นแหละปัญหาสรารพัดทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงเจ็บไข้ใดป่วยแน่ความทุกข์ก็ตามมาเพราะอะไรเรามีใจรับรู้เรามีใจรู้ชอบใจไหมไม่ชอบใจคนเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบใจความทุกข์ความลาบากความเจ็บไข้ใดป่วยเราหลบล้วหลีกล้วปฏิเสธไ่ไหม ได้บ้าง yup. ไม่ได้บ้างหลบโดยชิดีเดียวหลบไม่ได้ไม่ต้องแก่ได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องเก็บได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องตายได้ไหมไม่ได้กิริยาทั้งสอย่างนี้ก็ทำให้เรายุ่งตลอดทั้งชีวิตของเรายุ่งกับเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายเกิดเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายไอ้เรื่องเกิดคือเส่อแสวงหายอยู่ในหัวใจ สอหาตามหน้าของความอยากสอบที่นู่นสอบที่นี่พะไปหาที่เกิดที่นู่นที่นี่ตามพลังที่มันอยาก mm hmm. นี่เรามีใจหนึ่งเดียวนี่แหละแสดงโลกนี้ปรากรกับเราความสุขก็ปรากฏกับเราความทุกข์ก็ปรากฏกับเราความทุกข์นี่เราไม่ชอบใจใครก็ตามไม่มีใครต้องการไม่มีใครชอบใจความสุขเราชอบใจเราต้องการด้วยเหตุที่เรามีใจนี่แหละ ทำให้เรารู้ว่าโอ้สุขโอ้ทุกข์แต่มันมีนิสัยเกลียดทุกข์ระสุขพระพุทธศาสนาสอนตรงแนวไปสู่หลักสักจจ์สอนตรงแนวไปสู่หลักสักจจ์เพื่อความสุขอย่างแท้จริงเอาจนสุขอย่างเที่ยงแท้ถาวรมั่นคงเป่งอยู่ยังไงอยู่ยังงั้นเหมือนอย่างรพระพุทธเจ้า สงสาพวกพระอาริยาสาวกนี่คือความสุขเหตุเพื่อความสุขอย่างถาวรรู้ว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุเกิดขึ้นด้วยเหตุใดด้วยเหตุใดด้วยเหตุใดด้วยเหตุใดพระรยศึกษาทะลุ ป, ปุปโปรงหมดพระยาวิธีการของพระองค์ก็คือหนึ่งละสองบำเพ็ญพยายามละละอะไร ละสิ่งที่เป็นเรื่องของทุกเหตุให้เกิดทุกข ท, ที่เรียกว่าสมุทัยอย่า ใ, ให้ละให้ปล่อยให้วางวิธีการเริ่มละคืออะไรเริ่มให้รู้จักศีลเรื่องศีลเรื่องทําให้เราพูดติดปากบางครั้งเราก็เกิดการเบื่อหน่ายตีบตันด้วยสติด้วยปัญญาของเราเองแต่หาเราเข้าใจเรารู้เรื่องอู้เป็นคําที่เป็นสตรีเป็นยอดของสตรีเป็นยอดของมงคลที่จะนําเข้าสูงให้ใจของเรา คาว่าเรื่องของศีลเรื่องของธรรมแต่ถ้าเราไม่สนใจรีบไปพูดให้กับพวกนักเลงฟังด้วยแล้วนี่คำสองคาก็บศีลทำคำสองคาก็บศีลทำคำสองคำก็บศีลทม ำ, ำท ม, ำำทมไม่สนดอกเพราะมันไม่มีอะไรซึมซับก็สูญหใจดวงนั้นได้มันถูกกิเลสตัณหากุมบางเหียนอยู่นั่นเป็นสารถีกิเลสเป็นสารถีกุมบางเหียนอยู่ในนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้สัจจะข้อเท็จจริง เหตุเพื่อความสุขอย่างตรงแน่วริยมัดเมืองเป็ดเหตุเพื่อความทุกข์อย่างตรงแน่ข้าไปตันหาเห็นไหมกามตันหาภาวะตันหาพิภวะตันหา <c oughs> <c oughs> เป็นหลักใหญ่ใจความ เ, เลยและแหละของชีวิตของเราเลยแหละตัวนี้แหละเป็นตัวหัวนําวิถีเลยชีเดีย ว, ล ว, ลวเลยแหละเรื่องของตันหานยอยู่ในหัวใจ มันมีกิริยาอะไรบอกเราพอจะทําให้เรารู้จักได้ไหมมีให้เราย้อนมาที่ใจของเราเราจะเห็นย้อนมาเรื่อยๆย้อนมาเหนื่งๆย้อนมาบ่อยๆแล้วเราจะเห็นอํานาจของความอยากการที่เราพยายามยอจอมาเพื่อรู้เท่าทันความอยากมันเป็นการเจริญมั่งนะมันเป็นการเจริญมั่งมันอยากเพื่อมั่งกาตามันอยาก เพื่อสมุทัยก็ตามขอให้เราทันอยากเพื่อมรั ก, ก, รร ก, ก, กรถ้าเราไม่ทันเราก็เสียอีกอยากเพื่อสมุทัยถ้าเราไม่ทันเราก็เสียอีกความอยากอย่างใดอย่างหนึง่งเสริมขึ้นมาปั๊บเกิดขึ้นมาปั๊บทําให้กิริยาอาการของจิตกำเริบเสิบสารไปอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเป็นขแขนงเล็กน้อยพัน ระยองระย่างเต็มไปหมดในหัวใจของเรานี่แหละคือปัญหาปัญหาของตันหาตันหาเป็นภาษาบาลีนะตันหาเป็นภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าความอยากกิริยาเขามันมีให้เราดูเห็นไหมมีย้อนมาดูที่ผู้รู้เราเราจะเห็นมันอยากใจมันอยากอยากข้าวอยากน้ํา อ, อยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมอยากได้อัดได้ทมอยากทาใจใได้รับความสงบอยากมีปัญญาที่เป็นสัมมาปัญญานี่คืออยากเป็นความอยากเป็นพลังของมรรคความอยากแบบนี้ถ้าให้รีบสนับสนุนรีบส่งเสริมความอยากอีกอันนึงนะ เป็นความอยากตามอำนาจของสมุทยัยความอยากอันนี้มีอยู่ในใจของเราความอยากก็เหมือนกับใจของเรามันหิวนั่นแหละมันหิวมันอยากนั่นแหละจับความอยากในใจของเราให้ได้ไปแล้วกันนะั่นแหะนั่นแหล ะ, ละคือกิริยาของตัณหาละกิริยาของของมันทั้งหมดถ้าหากเราไม่ได้สังเกตสังกาในการที่จะตั้งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมอบรมตัวเองเนี่ยเป็นกิริยาการของมันเกือบทั้งหมด แต่ถ้าถ้าเรารู้เราก็ทํา50 50 50สิบถือว่ายื้อย่างกันไปยื้อย่างกันมายื้อย่างกันไปยื้อย่างกันมาจนกว่าเราจะเริ่มมีพลังหกสิบสี่สิบหกสิบสี่สิบเจ็ดปดสี่ปดสหมายความว่าเสียไป20ได้มา80ดสิอำนาจของความอยากที่เป็นเรื่องของสมุทัยยี่สบ อำนาจของความอยากที่เป็นเรื่องของมัดซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อชะล้างความอยากที่เป็นเรื่องของสมุทัยเนี่ยปแปดสิบนี่เธอโอ้มีมีกำลังมากมีพลังมากแล้วดูมาที่ใจของเราเราจะเห็นที่พูดอย่างนี้อย่าไปฟังเปลยเปล่าอย่าไปฟังปลอยเปล่าปลอยเปล่าย้อนมาที่ใจของเราเราจะเห็นตัวนี้เป็นตัวร้ายกาดภพชาติของเรา เข้ามาพบชาติก็คือเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นกองทุกข์ขวางหน้าเราอยู่ด้วยขนด้วยกันทุกคนพบชาติเข้ามาพบชาติเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเราพาลาน้ำคำพูดเฉยๆมันไม่ค่อยกินใจเราต้องไปดูของจริงแก่เป็นยังไงคนแก่งออคนทุกข์แค่ปว่ปวยนู้นป่วยนี้เป็นมะเร็งเป็นตับเป็นปอดเป็นอะไรตัวอะไรสรารพัดเรามาดูที เข้าออกเข้าออกห า, าหมอเดี๋ยวเปลี่ยนยาเดี๋ยวเพิ่มยาเดี๋ยวหมอหนะักเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปหาหมอที่น่นที่นู่นไม่ถูกไปหาหมอที่นี่ไม่ใช่มีหน้าที่ไปหาหมอแค่นั้นมีหน้าที่ต้องจับจ่ายใช้สอยเงินทองของอยู่ของใช้บางคนไม่มีจับจ่ายใช้สอยทํางานด้วยตัวเองก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเปียกเบียนด้วยถูกไหม ทุกขนาดไหนนี่คือกองทุกกองทุกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ต้นต่อลึกๆของมันแท้ๆคืออะไรสมุทยัยพระชนะพิธีปฏิบัติเพื่อสงบระงับดับสิมระดับขั้นสุดยอดก็คือสมถะธรรมวิปัสนาธรรมการอบ ร, รมที่เราตั้งใจมาอบ ร, รมนี้หัวใจของคำอบ ร, รมในทีน่นี้คือ สมรรธรรมวิปัสนาธรรมทำไดๆบ้างที่จะทําให้ใจของเราได้รับความสงบวิธีการใดๆบ้างที่จะทําให้ใจของเราได้รับความสงบที่เราจะฝึกฝนอบรมจิตของเราให้ได้รับความสงบเพราะฉะนั้นทั้งสมถะก็มีวิธีการทั้งวิปัสนามันก็มีวิธีการโยให้เกิดขึ้นเองมีเเกิดไม่ได้ จะต้องมีหลักการวิธีการพวกเราเมื่อรู้เราผ่านสำนักมากี่แดดกี่ฝนกี่หนาวกี่ร้อนมาแล้วบางคนผ่านอะไรอะไรมาสารพัดฝึออกอบรมที่นู่นที่นี่ที่นั่นมากมายบางคนก็เพิ่งเข้าอบรมบางคนก็เพิ่งเคยแต่สำหรับพวกที่เคยที่นู่นที่นี่มาหลายครั้งหลายหนก็ได้มีประสบการณ์เป็นของตัวเอง อันนี้คือการฝึกฝนอบรมว่าอุบายวิธีใดบ้างที่จะทําให้เราได้รับความสงบอย่างรวดเร็วมันไม่เกินความอดความทนความตั้งอกตั้งใจที่เราจะตั้งอกตั้งใจทำให้สิ่งวันนี้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเรามันสงบอยู่กับบทบริกรรมมันก็คือความสงบสมถรธรรมเนี่ยนะอ่าสมถรธรรม วิปัสนาธรรมก็คือสงบด้วยพิจารณาด้วยเรียกว่าวิปัสนาธรรมสมถะธรรมคือสงบอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างอื่นมันก็ทิ้งไปหมดลืมไปหมดหายไปหมดอยู่ในใจกล้องคำเดียวคือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นคําบริกรรมคําบริกรรมนี่เป็นแบบญาเป็นพิธีการ ครูบอาจารย์ท่านให้ทำทุกคนอยากสงบตั้งใจให้สงบเลยทีเดียวไม่ได้ต้องมีงานกากับให้เขาทาถ้าไม่มีงานทำแล้วมันจะหลงมันจะเหลิองไปเรื่อยถ้าเรามีงานจับงานสายเขาปั๊บมันมีหลักเหมือนควายเหมือนหมูที่เราต้องการให้เขาอยู่ในบริเวณนี้เราจะต้องมีหลักมัดเชือกเส้นหนึ่งมัดกับหลัก เชือกเส้นหนึ่ ง, งปลายอีกข้างหนึง่งมัดกับจิตของเราคําบริกรรมเหมือนหลักสติสมัชัญญาเหมือนกับเชื่อคําบริกรรมเหมือนหลักเหมือนหลักมัดเรานะี่สติสมัชัญญาเหมือนเชื่อมัดอะไรมัดควายหรือมัดวัว ซึ่งเปรียบเสมือนใจของเราเนี่ยใจของเราคือผู้รู้เป็นอันหนึ่งเดียวกับสติเป็นอันหนึ่งเดียวกับคําบริกรรมพุทโธพุทพุทโธพุ ท, ทรเราลองมาว่าให้มันอยู่ด้วยกันลองดูทีมันอยู่ไหมพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นวิตปเป็นวิตกวิจารพุทโธพุทโธพุทโธ อันนี้เป็นคาบริกรรมพุโทโธนี้เป็นหลักนะเป็นแบบอย่างไม่ใช่เนื้อหาที่แท้จริงเนื้อหาที่แท้จริงก็คือความสงบพอสงบแล้วพุโทโธแปล ว, ว่าเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้เป็นผู้เบิกบานอันนั้นคือเนื้อหาของความสงบที่แท้จริงแต่เราจำเป็นจะต้องทําตามแบบอย่างท้่แบบอย่างไม่ได้เราต้องเอาแบบอย่างให้หนักอย่าไปโดด อย่าไปกระโดดงับไล่จะคบเอาแต่ผลผลจะไม่เกิดแน่แท่านให้เอาให้หนักที่เหตุหนักที่เหตุก็คือไม่ทิ้งแบบอย่างนี่เราจะล่อมรวมมาที่หลักของสัมถทาของวิปัสสนาเรื่องศีลเราก็พูดไปเป็นภาคศีลอ่าเป็นคร่าวๆไปแล้วพวกเราก็ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องการอบรมใจใจเอาอะไรมาอบรม ไม่เอาหลักอันหนึ่งคือสมถะหลักอีกอันนึงคือวิปัสสนาหรือถ้าเรามาพูดสุปทั้งสองยอดนี้ก็คือหลักของมหาสติปัฐานที่พุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้เปรียบธรรมซึ่งเปรียบเสมือนรอยเท้าของช้างใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทุกจําพวกในป่ามหาสติปัฐานหลังมหาสติปฐานนั้นเรามาใช้ได้อย่งไร การเจริญสมมติฐเราก็ต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธพุธโธสติเป็นเชื่อมัดเรากับหลักมัดกับใจของเราใจกับคําดำริพุโทโธกับสติกํากับตื่นรู้รู้อยู่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันล อ, ลองทํำดูดิตั้งสติขึ้นมา สตินี้เป็นคุณสมบัติชั้นเลิอดชั้นเยี่ยมที่สุดของใจของเราหมดสกรกายทั้งกายทั้งใจของเราเราจะไปหาอย่างอื่นอะไรที่ดีดีที่สุดเยี่ยมที่สุดเลือที่สุดประเสริฐที่สุดสติธรรมสัมปชัญญะธรรมนอกจากนั้นก็วิริยะธรรมขันติธรม ร, าาธรมโสระจะธรรมฮิริโอัตตปะธรรม ความอดความทนความภาคความเพียรความละเอียดออนสติปัญญาธรรมสิ่งนี้มันเป็นคุณสมบัติว่าแต่มันดีขึ้นมาแล้วเราว่าแต่มันถูกไปหมดแล้วแหละเพราะมัน ม, มีอยู่กับสิ่งเดียวคือใจของเราใจเราเป็นหนึ่งเดียวอย่าลืมใจเราเป็นหนึ่งเดียวพูดอย่างนี้ให้เราพยายามพิจารณาตามวนมาที่ผู้รู้ของเราหรือเราไม่ทิ้งคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโต แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อมีคําพูดมากระทุ้งใส่หูอยู่อย่างนี้นี่แหละเราจะได้ความระมัดระวังสองชั้นรู้อยากไหมระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือพุโทโธพุโทโธพุโทโธระมัดระวังอย่างหนึ่งหากมันไม่อยู่กับพุโทโธมันหลุดไปอยู่กับเสียงซึ่ ง, งเป็นอกกัตเป็นทางมันไม่ไปไหนแต่ถ้าภาวนาอย่างเดียวไม่มีเสียงหลุดจากคําภาวนาไปถึง ต้ิ่ไหนก็นมารุ้แล้ะถ้าเราฟังอย่างเดียวเราไม่ไม่ภาวนาตามไปด้วยเดี๋ยวจิตมันอิ่มจิตมันเบื่อกับเสียงที่พูดนะ่ะจแบบไปไหนก็นมารลหายไปแล้วเราอยู่ในกรอบสองกรอบกรอบหนึ่งคือกรอบหนึ่งคือ ก็คือเสียงที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดซึ่งเป็นอัตเป็นธรรมมันเป็นเครื่องปรุงทั้งหมดนี้เป็นเครื่องปรุงปรุงให้เราได้รับความรอบรู้รู้เคล็ดรู้อุบายรู้วิธีว่าวิธีการยังไงบ้างที่จะทำให้ใจของเราได้รับความสงบถ้าให้ขัดสีอยู่นั้นนราไม่ยอมปล่อยพุโทโธพุโทโธพุโทโธหนาทีไม่อยู่พุโทโธพุโทโธพุทโธสิบนาทีไม่อยู่ พออยู่นานๆเข้าไปพักมันเริ่มสะสมเริ่มมีผลมันจะเริ่มอิ่มเหมือนกับบริโภคอาหารพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปหนักบ่อยครั้งเข้าเหมือนกับเราบริโภคอาหารมันจะเริ่มอิ่มใจของเราจะเท่ากับว่ามันถูกปลุกให้ตื่นรูอยู่กับอยู่กับคาําว่าพุทโธในที่สุดมันก็เลยมันติดอยู่กับคาําว่าพุทโธพุทโธพุทโธ จนในที่สุดไม่ดําริคำว่าพุทโธจิตมันก็ไม่ไปไหนเมื่อก่อนนั้นปล่อยพุทโธไม่ได้ปล่อยพุทโธปั๊บวิ่งพุดไปนู้นปล่อยพุทโธปั๊บวิ่งพุดไปนี้พอเราทําจนเต็มอิ่มจนจิตมันทิ้งพุทโธเองจิตมันก็ไม่ไปไหนนี่เกาเรียกว่าจิตอิ่มคําบริกรรมจิตจิตอิ่มพุทโธหรือท่านเรียกว่าจิตทิ้งพุทโธ หรือท่านเรียกว่าพุทธโธหายพุทธโธหายหายเพราะผลแต่ถ้าเป็นหายอีกอันนึงนั้นนะ่ะหายเพราะเหตุตัณหามันพา ด, ดึงไปพุทธโธหายขาดสติขาดสัมมชัญญะขาดความระมัดระวังเหมือนอย่างพุทธโธพุทธโธพุทธโธนะเราเตรียมพร้อมความระมัดระวังไม่เต็มที่ไม่พอเนะี่ยมันก็พลังมันก็เผลอมันก็หลุดไป พุทโธพุทโธหลุดไปแล้วพุทโธพุทโธมัหลุดไปแล้วหลุดไปถึงไหนก็ตามดึงเข้ามาพอเรารู้สึกตัวปั๊บมันก็จะอยู like attack, so ่รู้สึกตัวปั๊บก็จะอยู่หากมันเป็นปกติขอจิตเป็นอยู่อย่างนี้มันทั้งจะไปมันทั้งจะอยู่แต่ถ้าเราตั้งใจจะจับให้ก็อยู่กับงานอย่างเดียวเท่านั้นเขาถึงจะพออยู่กับงานที่เราจัดให้เขาทาเพราะฉะนั้นจิตเราต้องฝึกจิตเราต้องอบรมคําว่าฝึก เขาว่าอบรมมอนก็อันเดียวกันนั่นแหละทํางไงจิตของเราจะเชื่องจะชินอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราฝึกจนเชื่องจนชินเป็นผลเป็นวิบากกรรมติดแนบอยู่กับหัวใจของเราเป็นพลังทิพย์ที่สําคัญยิ่งในหัวใจของเราเพิ่มเกรดอ่านะเพิ่มดีกรีเพิ่มคุณสมบัติให้กับจิตของเราได้เป็นอย่างดีอย่าลืมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนี่คือคำว่ามาอบรมมาอบรม เราเอาศีลมาอบรมที่กายกายกรรมวิจีกรรมเราอบรมด้วยศีลพอเรามีศีลปักกิเลสแสดงออกมาที่กายกรรมไม่ได้ที่วิจีกรรมไม่ได้แต่กิเลสมันยังโดดดิ้นอยู่ในใจกิเลสก็คือตัณหาตัณหาก็คือกิเลสมันโดดดิ้นอยู่ในใจมันโดดดิ้นไปไหนมันโดดดิ้นเรื่องรักเรื่องชงังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดมันไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่พระพุทธเจา้าท่านจึงให้สงบระงับได้ด้วยบทสมัท อามากำกับเลยพุทโถพุทโถมีพลังมีอนุภาพนะไม่ใช่เราพร่ำเฉยๆนะลงทําให้ได้ทําให้ได้มีอย่างเดียวเท่านั้นแหละธรรมะํารมะทำให้ได้ทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ร้องให้เอาก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ทําให้ถึงความตั้งอกตั้งใจไม่พอเราก็ไม่ถึงแต่เราไม่ต้องท้อท้อทาไมเนี่เมื่อเราทํำยังไม่ได้ สิ่งที่เราทํานั้นนะมันจะสะสมตัวของมันเองเหมือนกับเราเริ่มฝึกฝนอบรมเรียนรู้สิ่งทั้งหายทั้งปวงวิชาชีพทั้งหลายที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราเริ่มเรียนเราก็เริ่มรู้เริ่มสะสมไปเรื่อยสนใจบ้างไม่สนใจบ้างก็เริ่มรู้ไปเรื่อเิ่มรู้ไปเรื่อยเรียนภาษานี่ภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรต่ออะไรเนะี่ยไม่หยุดไม่หย่อนไม่ถอยเลยไอตอนที่เขามีรู้แต่ฉันเต็มที่มาย้อนดูไอตอนที่เรา เริ่มเรียนกอไก่กอกาเอบีดีอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันขนาดไหนจากการที่เราเรียนไปขยันไปขี้เกียจไปอะไรไปงานนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ทําเล่นไม่ได้ต้องตั้งตั้งต้อ ง, ต, ง, ต, งตั้งใจทําจริงๆเพราะกิเลส น, นะในขณะที่เราจะพยายามจะหักคอมั น, นถ้าเราระวังไม่พอนะมันจะหัหกหักคอเราก่อนนะท้อใจไปก่อนเลยแหละบางคนยังไม่จบคอลอกถือของกลับบ้านและ หักคอพวกเราไม่ใช่เป็นคนถูกแพ้หักคอเราเป็นคนชนะจากวิธีนี้วิยินาทีนี้ไปจนถึงประสุดท้ายนู่นวันที่ห้าเวลาเลิกไปคอด่านั้นนั้นอ่ะชิตังเมชิตังเีแล้วชนะแล้วเดินกลับบ้านชนะเรร่าร้องหัวใจของเรา มีคุณสมบัติดีๆอยู่ในหัวใจของเราการเจริญมหาสติก็คือการเจริญสติการเจริญสมตถติามันก็คือการเจริญสติเจริญสมตถติาถ้าไม่มีสติกำกับยิตก็สงบไม่ได้เจริญปัญญาถ้าไม่มีสติปัญญาก็เกิดไม่ได้สติจือเป็นหลักใหญ่มากเป็นธรรมที่มีอุปการะอย่างใหญ่หวงทีเดียว ตั้งแต่ธรรมะพื้นพื้นไปจนถึงธรรมะสูงสุดวิมุตติพระนิพพานน้องตาท่านว่าพอไปถึงช่วงนั้นไปถึงตอนนั้นแล้วท่านว่ามหาสติมหาปัญญาน้องตาท่านใช้คว่ามหาปัญญาแต่มหาสติที่เราพูดถึงในที่นี้หมายว่าในหลักของมหาสติปัฐานท่านพูดท่านไม่ทิ้งคําว่าสติเอาสติมาเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐาน ให้มองเห็นตัวจั๊กสําคัญในการทํางานว่าทำํำไมใจของเราถึงอยู่ต้องมีสติสติคือภาวะของจิตที่ตื่นโโหรู้อยู่นี่เนี่ยคืออะไรมีตัวมีตนไหมเราดูมัน ม, ม, มีกิริย า, าการให้เราดูอยู่เมื่ออย่างที่เรานั่งๆอยู่เนี่ยแต่เราตื่นโรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวที่เรากําลังกําหนดจดจ่ออยูนย่นั่นคือสติของเราอยู่สติคือความเราลึกได้ เรลึกได้ว่าเรานั่งเราลึกได้ว่าเรานั่งบริกรรมเราลึกได้ว่าเรานั่งภาวนาเราลึกได้ว่าเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่ได้ล่องลอยไปไหนนี่คือสติเอาสตินี่แหละมาตามกําหนดจดจ่อพิจารณาดูพิจารณากายถั้งกต่ใช้ใช้สติตามดูกายตามพิจารณากายยืนก็มีสติกํากับจดจอ่อ เดินก็มีสติกำกับจดจอ่อนั่งก็มีสติกำกับจดจอ่อทำนู้นทำนีนท้ทำอะไรก็มีสติกำกับจดจอ่อยูยกับเรื่องเดียวที่เราทำาเรียกว่าใช้สติเป็นหลักสามารถปฏิบัติได้ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงไม่บินแม้แต่นาทีเดียวถ้าเผื่อเราไม่ปล่อยให้มันความหลงเข้ามาแทรกมีสติกำกับทุกอิริยาบถ เป็นการปฏิบัติทุกอิริยาบถหลวงตาท่านบอกว่าคลาดสติไปจากมือใจตอนไหนทีไรเมื่อไหร่กานปฏิบัติก็ตกไปแล้วมันไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมีสติกำกับโรคทีไรเมื่อไหร่เป็นการปฏิบัติตลอดเอาสติมากำกับอย่างนี้เองเราสามารถยักย้ายมาพิจารณากายตามรู้กาย นี่เราพูดกว้างไงฟังซะก่อนเราตาสามารถตามกําหนบบจดจดจ่อเวทนาเพราะไอตัวตัณหาที่มันจะพา ย, ยุดมันจะพา ย, ยุดกายสิ่งที่ต่อมาก็คือเวทนามันจะพา ย, ยุดเวทนาสุขทุกข์อุเบกขานคือเวทนา mm hmm. มันจะพา ย, ยุดจิตจิตเราดีจิตเราสว่างจิตเรารอรู้จิตเราฉลาดหลงเพลินไปกับ ความยึดของจิตของตัวเองแล้วก็พิจารณารมทั้งหมดนี้ครอบครอบหมดกับแนวปฏิบัติทั้งหมดอันนี้เป็นกระแสตรงแนวไปสู่มรรคส่ผลส่นิพานสำหรับฤทธิเดชอภิญยานั้นมันเป็นทาง อ, อมๆคอมๆแต่ถ้าใครมีวาสนาบารมีมาท่านก็ไม่ห้ามสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเครื่องช่วยเสริมได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าไปติด สิ่งเหล่านั้นแหะเป็นสมุทัยมัดเราทําให้เราเก้าวหน้าไม่ได้แต่ถ้าเราเราไม่ติดกับสิ่งเหล่านั้นเรามาตามเส้นทางเส้นนี้ตังถือว่าเป็นเส้นทางที่ตรงก็ทําให้เราอยู่บนเส้นทางไม่ผิดแนวไปจากทางไปเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพพานอันนี้สำคัญที่สุดอบรอมที่ไหนอบรอมที่ใจของเราย้อนดูไปที่ใจของเราต้องใช้ความอดอดอดอ ด, อดทนทนท น, ทนอดอะไรทนอะไร อดบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธทนอะไรทนบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธทนดึงสติเข้ามาพุทโธพุทโธพุทโธทนดึงสัมปชัญญะเข้ามาพุทโธพุทโธพุทโธทนความภาคความเพียรปลุกเราจิตใจของเราให้ตื่นรู้อยู่กับอธิยะบทที่เรากําลังทําให้เกิดผลต่อเนื่องงพุทโธพุทโธไม่ปล่อย เนี่ยคุณธรรมเหล่านี้มันเกื้ อ, อกูลด้วยกันทั้งนั้นแหละขอให้เราตั้ง อ, อกตั้งใจทำ อ, อย่าไปเรียก ร, าา ร, าร้องหาฤทธเดชอภิญญาถ้าใครมีวาสนาบา ร, รมีก็เป็นบุญของคนคนคนคนค น, ค น, นั้นเขาจะรู้เองเราไม่มีเราไม่ต้องและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเหตุทําให้เราหลงทางได้ง่ายเราไม่มีเรามาตรงนี้เราภาวนาสะดวกสบายถึงคราภาวนาไม่มีปัญหาอะไรดึงจิตมาอยู่กับอารมณ์ ต้องการพิจารณากายต้องการพิจารณาเวทนาพิจารณาแล้วก็ตามพิจารณาเพื่อทำลายความหลงทั้งนั้นอาศาัย ส, า ส, ายสติสตัจจะว่าระลึกรู้เป็นเครื่องกำหนดจดจอรู้เมื่อได้ไปสำคัญมั่นหมายว่ากายเรากายของของเราเวทนาเราเวทนาของของเราเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราไม่มีจิตเราเราเป็นจิตจิตเป็นเราไม่มีสติเวลามนตื่นรู มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆพยายามกําหนดจดจ่อทดสอบลองดูอันนี้เป็นคุณธรรมที่จะพึงเกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจสะสมสั่งสมอบรมไว้มีแล้วก็เป็นอยู่เฉยๆไม่ฝึกไม่มีไม่เป็นมียากเป็นยากอยู่ๆพลอขึ้นมาอยู่ๆพลอขึ้นมาเออมีทําเกิดขึ้นแล้วสว่างโร่ขึ้นมาแล้วเราทําเหตุยังไงเรารู้ไหม ท่านต้องให้รู้จักเหตุอีกเหตุอะไรบ้างที่เราทำํำท่านให้เราพิจารณากากับจดจ่อต่อไปอีกน ะ, ะเพราะฉะนั้นท่านจะให้พิจารณาธรรมพิจารณาธรรมส่วนหนึ่งก็คือธรรมะที่ตกผลึกไปสู่หัวใจของเราเป็นสัญญาอารมณ์ถ้าเรียกว่าพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมอีกอันหนึ่งก็คือผลปรากฏในหัวใจของเราเราภาวนาไปแล้วเราได้รับความสนุก ถ้าเราไม่พิจารณามันชิดความสนุกมีบัญญาแพรวพรามีสติมีสัมมชัญญามีอะไรอะไรอ้เราฉล่ารอบไู้นะใช้นึกจ่อคนหมดจดจอกับอะไรมันจะการดกัดกัซึมสลุไปเลยหลงอีกถ้าเราไม่พิจารณาผลของการปฏิบัติธรรมท่านค่ายพิจารณาถ้าไม่พิจารณาเราจะติดผลของธรรมธรรมะที่ยังไม่ถึงที่สุดไม่จะติด มันยังกลายเป็นสมุทัยอยู่การพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเอาจิตของเราเป็นผู้ทำพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งมันทะลุทั่วถึงกันหมดเอาเป็นว่าเราเข้าใจสองอย่างอย่างหนึ่งเราพยายามตั้งใจทําให้ใจได้รับความสงบอย่างสองเราสงบด้วยจะอยู่ท่าทีใดเดินก็ตามนั่งก็ตามทํางานทําการก็ตาม พิจารณากิริยาที่เราทําไปในขณะเดียวกันสงบด้วยพิจารณาด้วยสงบอย่างหนึ่งทิ้งหมดเหลืออารมณ์หนึ่งเดียวสงบอย่างหนึ่งมันพร้อมตั้งมั่นพร้อมเหมือนอย่างเราอยู่ในท่าทีที่เราพร้อมที่จะทํางานเหมือนอย่างเรานั่งบ น, ตบนโต๊ะเนี่ยพร้อมที่จะเขียนหนังสือเนี่ยพร้อมอยู่ในท่าทีพร้อมอยู่บ น, ตบนโต๊ะ มีกระดาษมีปากกามีดินสอมีไฟมีไรส่องสว่างพร้อมที่จะเขียนเราจะพิจารณาโดยเห็นสัจธรรมอย่างไรอย่างหนึ่งโดยเหตุที่เรามีสติดีมีสัมผัญญะดีมีสมาธิดีปัญญาเราจริงจะดีการพิจารณาของเราถึงจะพิจารณาแล้วก็เปลี่ยนไปพิจารณาเห็นเป็นหลักสักจจะสัจจะคือความจริงคือของจริงกองสังขาร น, นั้นมีของจริงแทรกอยู่ซ่อนอยู่ รู้จักกองสังขารไหมร่างกายเราทั้งดุนนี่ยเป็นกองสังขารของจริงที่แทรกอยู่ที่พุทธเจ้าท่าให้พิจารณามีหลายอย่างให้เห็นเป็นปฏิกูลเป็นโสครกเป็นนน่นเป็นนี้เป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟแต่สรุปยอดรวมลงมาที่อันนีจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือลักษณะประจําสังขารอยู่ทุกๆสังขารไม่ว่าจะเป็นสังขารรูปสังขารนา ที่เป็นเรื่องของใจก็ตามอันนี้คือสัจจะที่เราควรพิจารณาให้เห็นเพื่อทําให้ใจของเราเกิดการบุบเบือหลายคลายจาจถอดถอนด้วยตัณหาโด้วยปาฏิารจากการรุ่มหลงของเราอันนี้มีความสําคัญมากอันนี้อันนี้คือสุดยอดของสัจจะแต่นอกจากนั้นเราก็พิจารณาไปจะพิจารณาอะไรก็ตามปล ong ลงในอณิจังทุกขังนัาตา่ต่างปล o งลงใ น, ในอณิจังถ้าเราเข้าใจนะ ทุกขังก็อยู่ในนั้นลองลงในทุกขังอา น, นิจจังก็อยู่ในนั้นทั้งอา น, นิจจังทั้งทุกขังนั่นคือภาวะของมันเป็นภาวะที่ใครไม่สามารถจะไปดัดแปลงแก้ไขได้เหมือนร่างกายของเราต้องแก่แก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยใครไปยับยับย้งมันได้ยับยั้งได้ไหมยับยั้งไม่ได้อายุล่วงการผ่านไว้หกสิบปีเจ็ดสิบปีล่วงมาเงี้ยอ่ อ, อน ระหวยรุ่ยแรงอ่อนเรียวอ่อนแรงอ่อนอะไรต่อะไรเนี่ยผมเงาะหูตึงเนี่ยตาพร่ามือยเงี้ยยับยั้งมันได้ไหมแค่ระงับยับยั้งได้แต่ห้ามมันไม่ได้นั่นคือภาวะของทุกข์ขังมันไม่อยู่เท่าเดิมมันไม่อยู่ในสภาพเดิมนี่แหละด้วยเหตุที่เรายับยั้งมันไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่านี่แหละหน้าตาหน้าตาเอาตัว ต, วตนมาจากไหน พยายามย้ําอยู่ตรงนี้ให้เกิดความเข้าใจเพราะอันนี้เป็นโฟกัสของศัจธรรมที่เราควรจะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแต่ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินด้วยระยะด้วยเวลาที่ยาวไกลไปของใครของเราเราจะว่าเรายาวไกลแบบไม่มีความความหวังสุดเพื่อหมดหวัง ยาวไกลไปแบบบนกรอบบนเส้นทางที่บงังคับให้เราไปแน่วขยับไปเรื่อยขยับไปเรืยขยับไปเรื่อ e, ยขยับไปเรื่อ e. ยไม่ออกนอกลู่นอกทางยังไงมันขยับไปเรื่อยมันจะใกล้ไปเรื่อยขยับไปเรื่อยมันจะใกล้กลไปเรื่อยแต่ถ้าออกนอกลู่นอกทางปั๊บหมดโอกาสเท่านั้นเองหมดโอกาสนี่คือการอบรมตรงั้นศีลธรรมทางด้า น, น, รราานจิตใจถ้าเราเข้ามารู้ตรงนี้ศีลธรรมที่เป็นเรื่องของ จริยธรรมอย่างอื่นมันจะตามมาความประพฤติเอ่ยมาร ย, ยาทเอ่ยคำพูดคำจาเอ่ยอะไรต่อเอ่ยมันจะตามมาเพราะต้นตอของมันแท้ๆอยู่ที่เรากาลังฝึกฝนอบรมอยู่นี้เมื่อก่อนนั้นเราผิวเผินฝึกหัดแต่สิ่งเหล่านั้นอยู่แต่สิ่งที่เป็นผิวเผินอยู่ข้างบนเราไม่เคยย้อนมาดูตัวลึกของมันข้างในพอเราย้อนเข้ามาดูข้างในปั๊บเราจะเห็นเห็นรากเห็นงเงาเห็นต้นเห็นตอของมัน ความหลงที่เราเคยหลงเคลิมไปกับ oh มัน oh มัน oh ก็จะทำให้เรับื сама, ่นเนื <S <S thấy, ้อตื่นตัวโอ้โออรู้ที่ไปที่มาของมันท่านเรีว่าศึกษาให้รู้ตามข้อเท็จจริงของมันแล้วก็ปล่อยไว้ศึกษาให้รู้ตามข้อเท็จจริงของมันแล้วก็ปล่อยไว้วางไว้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้แแท้ที่จริงแค่นี้เองไม่ใช่ว่าไปดึงอันนี้ออกดึงอันนั้นเข้าดึงอันนั้นเข้าดึงอันนี้ออกดูให้รู้เห็นให้เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางมันเข้าใจแล้วก็ว่า อะไรเกิดขึ้นตอนนั้นดูแล้วมันจะเห็นไอตอนที่เราว่าอะไรเกิดขึ้นสืบช่วงต่อมาคืออะไรเรารู้แล้วเราจะเห็นผู้รู้จะรู้เองจะเห็นเองปัิจจตงังนี่คือการตั้งใจสุขฝนอบรมนี่เราก็พูดมาเป็นเวลาถึงสาสบหนาทีนะนะสาหนาทีก็ได้เวลาเรา ได้เวลาหมดเวลาเพียงเทาง่านี้ตอนนี้ระยะนี้พิธีกรจะพาเรานั่งยาวไปจนถึงเท่าไหร่จะพานั่งพากันนั่งไปกันถึงเท่าไหร่ถึงบ่ายสองหรือถึงบ่ายสามไหมาพานั่งภาวนาไปอีกสักส0สนาทีเ <c oughs> หลือเวลาเล็กน้อยบ้างกพูดคุยสนทนากันกันกนกบคุบาอาจารย์เนี่ย จันทาเนี่ยรู้จักไหมเจ้าสำนักรู้จักไมนี่นี่เจ้าสานักวันนี้เอาให้เจ้าสำนักร้องไห้กันแล้วกันแหละนะวันนี้หลวงพ่อมีเวลาขึ้นมาพูดคุยตอนนี้ระยะนี้แค่นี้เพียงเท่านี้อ่าจบเพียงเท่านี้ก่อนต่อทั้งหมดนี่บทที่ทำเตา